ขอเจริญพรช่วยพูดทั้งตะกริตให้ฟังหน่อยจะเป็นทางสวดมนตก็ได้ขอขอบคุณแอนนึงนะฮะอาจจะให้ผมสวดมนต์เป็นทั้งตกริตก็ได้ครับแล้วสวดนะฮะรุณาอรณีบทตัวย่อเลยครับนามูระนัตตรยายานมาอารยาวลกิเตสวไรย์โมดิสัตวัยมหาสัตวัยมาตรุนิกายอมตรุเม เอกทศมิลต์เมเจอร์พระกวานพระจิตรีสีวิหารตีเอกทศมิลต์เมเจอร์มหาอวคันตร์ยียิ่ก็สนุกที่หลวทมาดนส ติดเบ็ดตอปัญหาเรื่องขวามแอบเข้าสือปฏิสนธิในท้องมารดาเดียวกันโดยดวงวิญญาณ ค, คนละดวงแต่เมื่อจะมาเกิดได้ชวนกันเข้าสือปฏิสนธิเพราะนั้นสงสัยว่าวิญญาณชวนกันมาเกิดได้อย่างไรอาตมาเคยฝันไปเที่ยวกับเพื่อนๆหลายครัง้งเมื่อถามเขาเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องสงสัยว่าวิญญาณชวนกันได้เกิดนั่นชวนกันอย่างไรปุริปัญโยพิขุดทักผู้ถาม ที่บอกวิญญาณทูตก็มเกิดแต่หลายวิธีผู้ที่มีความผูกพันกันในชาตินี้อธิษฐานใจไหวให้ไปเกิดร่วมกันท้องพ่อท้องแม่เดียวกันชวนกันมาก่อนแล้วดับติดไปอาการผูกพันเป็นก็เลยกันดารไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งไม่ได้ชวนกันหรอกแต่ถ้าเอินึกว่ากระแสดำมันซับเข้มาจะร่วมคันเดียวกันน่ะก็เลยมาจ่ายกันเข่าเป็นสองหลายยะ เตีนที่มีอยู่บางคนในจังหวัดเขา อ, อาสาหมากล่าวว่าชาวพุทธมีความง ม, มงายในเรื่องน้มันสก a n อีกอย่างหนึ่งคือว่าหิฐไหว้ปูนไหวยทองเหลืองเราจะแก้เขาอย่างไรข้อนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยเราถามพระนัแกไหว้กันเขนล่ะกางเขนทำเรื้ออะไรของเขาให้กังเข น, น, นทำเรื้ออะไรแกแขวนกันเขนที่คอในยเดแกก็องมีลูกเขยิบตูนู่แต่อาพื้นติดในขอลับน้าอุจจาระหน้าสุเรศุกกงวนอาไว้รมาณนั่ น, น่ะแกไปจบับไหว้จูบลูกนั้นให้กางเขนไปจูบกูขาแกเขาวิมานอะไรทําได้อะไรลูกนั้นน่ะเราโยนเขาฐาน ทำ้ยมก็มีทำด้วยอิดก็มีทำด้วยโลหก็มีไอ้ไห้กันเข็นี่แกว่าไนะห้กกรับน่ะขอแกก็มีแกกระดับไปทำไมตื่นเชา้าไปเลยจะตัวอะไรขับปัญหาคอเนี่ยรู้รู้หรือว่าทิ่ให้กันเข็นได้าาศาสนาที่ไม่มีรูปวูขารบเนะ่ยคือสาวสลามนอกนั้นมีรูเขารบก่อเราไวเขาพูดจะไม่จะไหวไอ้ไตูนนี่เราไหวเขาคุณนหนักละ่ะถ้าเราไปไหว้อตูนเราก็งงสิเราวหนูกมไม่ไ้หวไอปูน สั ญ, ญักอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของกูตุกท่านผู้เป็นเจ้ญญาของที่มีปัญญาคุีสุดคุณกรุณาคุณไหวคุณสามอันนี้เลาเราสูดมนตมอะสาราไปนสาสุดูลไอิปนางนี่นะแต่เราเลารู้ึพุทธคุณธรรมคุณเคุณนี่สิ่งนี้เป็นเพียงแต่เครื่องจุงใจให้ร ล, ลึกถึงคุณท่าน้นี้เั่นั้นเองเราไม่ได้ติดแค่รู้วูอันนี้ถ้ายงนั้นล้วก็อกีดงชาติทิ้งได้รักษางชาติรักํามังยงชาติมีอะไรต่อไปสัญลักษณ์งชาติมีายกัง แล้วพงชาติแกชาฝรังจะของึ้นตริย์สนามมาอะไรใครอยกหยียบพงชาติแกทำไมใคเจ็บรอหรอไปการดูหมิ่ชาดล่ะพงชาติตำรวจข่านนี่นะสีมะบายแล้วมีอะไรล่ะอ้าวรอยย้อนถาเบงเราเคารพพงชาติพงศิลป์ของชาติขันใดเราไหวลูกเขาเราเป็นศิลป์ของพระพุทธเจ้าขันนั้นแล้วแก้ป็นไหวขังเขนุรย้อนาขาอย่างนั้นเนี่ยข้อนี้นะฮะ อาตมามีความสงสัยอยู่ว่าในมาหาเวสสันดนชาดกเป็นข้าตุวท้ายของพระกุมีพระพาที่พระเวสสันดรให้ทานหูตาเลือดเนื้อเลยหัวใจออกเป็นทานเป็นปุคคลาทิฐานหรือเป็นธรรมาทิฏฐานเป็นท่านได้ทั้งบุคคลาทิฐานกับธรรมาทิฐานครับอยากให้ลูกเนื้อเป็นทานน่ะก็หมายเป็ให้ลูกเป็นทานให้หัวใจเป็นทานก็หมายใ ห, ให้ให้เมียให้คนรักเป็นทานถ้ากับเป็นลูกหัวใจเราออกไป ให้ให้ลูกก็พอให้เลือดเลือเชื่อขายออกไปแต่ที่พระปูติสัตย์ให้เกาะเลือดเป็นทานจริงๆก็มีควักตุตาให้ทานจริงๆก็มีอย่าว่าแต่ปูติษัตย์เลยคนปัจจุบันให้ให้กันได้เลยบริจาคโลหิตเยอะแยะไปตามโรงพยาบาลอะบริจาคโลหิตกี่ซีซีกี่ซีซีต้องเยอะแยะไปนี่ไม่ใช่ค่างค่าบริจาคคลังเลยอ้าวค่างค่าบริจาคค่างเวลานี้มีโรงพยาบาลเส้นตุ๊กตาคนเส่นตุ๊กตาคนคุณตาบอดนะ ตาบอกทันทีแล้วควาตุกกตาข้างหน้าออกอลูกกระตากลุนตายไปใหม่อยมมาจายก็ไปยังทำให้ตาสหายได้ความก้าวหน้าหองจักรกเข้าเวลานี้มีถึงขนาดนี้แล้วเขาตั้งโรงพยาบาลเก็บลูกกระตากลนมีคนบริจาคลูกกระตามีเวลานี้นี่ไม่ใช่ไอ้ลูกกระตากเป็นคางเลยโรคหิดเป็นางก็มีบริจัคลูกกระตาเป็นทางก็มีเดี๋ยวยังมีเราไปจโพลิสัตว์เป็นไอ้สักแก๊่วให้กลาพ่อยหญ่ับท่านสุนรหนอนู้ที่ทางกูนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยกันแาตอนนี้นะฮะ ท่านธรม ร, ธรมะตโรสปูติคุปถามมาว่าจะเห็นทุกโดยวิธีอะไรแน่เพราะมันเพ็บุญหรือเพราะรู้เท่าทันธรรมดาศีลกับศีลอโบโตดต่างกันหรือเหมือนกันาข้อแรกนะจะเห็นทุกโดยวิธีใดนะก็ต้องเห็นด้วยวิธีการเจริญนิพพสนาถ้าใส่ละนี่จะเห็นทุกแทบุญญาคิริยาน่ะเป็นแต่เป็นบุคคลาของการ ท, าาทํานิพพสนา่านั้นเอง ทุนศีลกับอุศีลอุบาสอุโบสถต่างกันอย่างไรศีล อ, อุบาสอุโบสถหาเป็นศีลจำกัดโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งครับทุนศีลจะเป็นปกติภาพหนาไม่ก็ไม่มีจำกัดทีวันทีคืนได้ทั้งนั้นต่างกันอย่างนี้ครับท่านชินาวโรูพิจูถามมาว่าอาตมาผ้าอาตมาท่านหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาได้ติดตามรายการของท่านอาจารย์ุครั้งที่บรรยายไม่เคยขาดเลยจะขอถามท่านดังนี้หนึ่งท่านเคยไปประเทศอินเดีย อินเดียชีปเปลือยมีจริงหรือไม่ผมไม่เคยประทอินเดนะีเ ย, ออ ย, ย, ออ ย, ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยออกพ้นอาวไทไปเลยครับไม่เคยออกพ้นมึงไทยไปเลยตั้งแต่เกิดมานะชีเปลือในอินเดียยังมีจริงอยู่ลานี้ยังเปลือยแกล้งผ้าโพงๆอยู่แต่ทางตำรวจอินเดียต้องขอร้องว่กากรุณาอย่ามาเดินกลางถนนหลวงที่มีคนจาประเทศเขาเจอแจ่หน่อยกรุณาหน่อยเอถอะเราจะเดินไปเดินตามชนบทไม่ว่าเลยยังมีเดินเงินอยู่ชีปเปลือยเดินแกล้หาอาบุญครุกทั้งตัวมีอยู่ แล้วสถานที่จะเห็นชีตูได้ชัดที่สุดคือเมืองพาราสีเดี๋ยวนี้ตามฝั่งแม่น้ำคงคาเนี่ยไปหมดไอไปวันไหนก็เจอวันนั้นตามข่าตักปิดแถวแม่น้ำคง ค, คาในเมืองพาราสีข้ อ, 2, อสองอาตมาได้ยนินเพื่อนค้าดิฉันเล่าว่าท่านอาจารย์ไม่เคยห่องหนังสือดูทีเดียวจาได้เลยจริงหรือไม่อข้อนี้ก็เห็นจะไม่ไมจริงนะครับไอ้ท่องนะั้นไม่เคยท่องจริงแต่ไม่เคยดูทีเดียวจาได้นะข้อสามขอให้ท่านอาจารย์เล่าชี้ว่าประวัติ เองของอาจารย์โดยสังเขตแม้ข้อนี้ไปเรื่องส่วนตัวผมกรุณางดหน่อยได้ไหมครับตอนี้ถามหนึ่งส่วนตัวแล้วนะฮะตอนนี้โอ้เอ้ก็ไม่มีเชืเออ้อประวัติและพิสดารเป็นคนสิ้มีรูนกรรมหนามากมีอกุตลกรรมอาคุตุลอกุตุลวิบากมากมากกว่าวทุกทําในที่นี้กว่าได้ผมเวลานี้อาคุตุลวิบากมาผจญมีเจ้ากรรมนายเวรคอยตามดวงนี่กรรมอยู่มากมายทุกเบื่อเชื่อวันไม่ใช่เป็นคนมิเศษมิโซอะไรมาท่า น, นนะฮะ ย, ย, ยังเป็นเป็นหนี่ของกรรมอยู่ยังมีเจ้ากรรมนายเวรคุณนี่กรรมแต่อดีตอยู่มากมายกายกองแต่ว่า พยายามทําบังเทนมุญญาิริยาที่ผมเป็นมุญญากริยาอยู่ข้อหนึ่งที่ผมมีอยู่ข้อเดีที่ผมภูมิใจอะ่ะทั้งหมดในชีวิตเนี่ยข้อนั้นคือเรื่องบันเทนอพยญาทานเป็นปัจจบทจริยาไม่เคยขาดเลยแม้แต่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งต้องปล่อยสัตว์ทุกเดือนกระทั่งแบบนี้ตั้งปฏิญาณไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม249จึงกระทั่งแบบนี้เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วไม่เคยขาดอพยญาทานเลยทุกเดือนได้ช่วยชีวิตตาจําจนวนหลายหมื่นตัวแล้ว ซื้อปาที่ท่าวัดโพท่าเตียนแล้วก็ปล่อยลงในน้ําจักรยาทุกเดือนไม่เคยขาดเป็นวัตถบุตรจริยาของผมมาเรือยตั้งแต่อธิษฐานว่าจะทําอย่างนี้จนวันตายแล้วก็ทุกครั้งที่ทําก็อธิษฐานให้พระพุทธมรรจงได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในชาตินี้ให้ได้เจริญยธน์ทานสีตมาที่ปัญญาในชาตินี้ยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็เมื่อดับจิตแต่ล้วนึเสียยภูมิหนึ่งอบายภูมิสี่ห้าภูมินิยาเราเวียนเกิดอีกขอให้เดชเกิดเป็นธรรมโคสกะ เทวบุตรของพระสีอะริยเมตไตรโพริสัตว์มันดูสิทบอยู่ในดุสิตจึงกระทั่งพระสีอะริยะเมตไตรปฏิรูปโพธิญาณแล้วให้ไปฟังธรรมท่านและเป็นอานหารไปเลยเ <c oughs> นี่ยมีอยู่ท่านเองไม่มีอะไร <c oughs> ท่านมหาวีโรภิกขุถามมาว่าถ้าพูดกันถึงสิ่งเชิดหน้าชูตาของวัดพุทธศาสนาในขณะนี้ก็เห็นจะได้แก่พระอุโบสถแต่ถึงสายส่วนประกอบของพระโอโบสถบางส่วน เคถามพระเทละาบางลูกท่านก็เล่าประวัติความเป็นมาพิสดารมากยากแก่การจะเขียนมาในที่นี้จึงขอถามว่าหน้าสะดุ้งซึ่งมีเกล็ดหลังเป็นใบาากา ม, ามีหัวเป็นท่อป้ามีหางเป็นหางโงมีความเป็นมาอย่างไรถ้าเป็นสัตมีชีวิตจริงๆก็คงจะไปลึกกึกกือยิ่งกว่าคำชมสตรีไทยว่าผมพราหน้าจีนตีนฝรั่งซะอีกขอฟังคำอธิบายพร้อมทั้งความเห็นส่วนตัวด้วยเรื่องน้าสะดุ้งหน้ามันไม่ใช่มีตัวจริงอย่างในอย่างน อ, อย่างตามโบทอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ละครัหน้าเป็งูใหญ่ เพราะนั้นเองคืองูนี่แหละงูงอนมีลวดหน้าไม่ใช่ว่าแม้มีงอนคลายมีมีเรื่อนหน้าแหมปีกระปุ่มมีรอยต่างอไม่ใช่น่ะศิล ป, ปินไอเดียของศิล ป, ปินชินมนูคติของศิล ป, ปินต้องการฉลวกฉลาให้งดงามเปศิลปะเพราะนั้นหนึ่งหน้ากระดุมตามทครดดัวโบสถ์อะต่างๆพวกนี้เนี่ยถือือปะอย่าง เ, เดียวครับไม่ได้เียพยาย น, นามาคลางบบสถ์้คนที่รักได้ค น, นจแบบทาเป็นรูปเลื่อหน้าลู่ไม่ใช่เลยแล้วหน้าจริงๆอย่างม่ตำนานพลนา บ folk, to ano, ีกแปลงเป็นคุณแปลงเป็นคืนเลยต่างๆเนี่ยหน้ากัหน <Political> ้ากโลกคนาใหญ่เรานที่มึงบาบาลเลยครับหน้าโลกกับหเนี่ยมีอยู่วิงไม่ยังมีอยู่ไปง่ายๆที่เกาะลังกาเองอะโลกกหน้ากับทวีตเกาะพญานาหน้าหน้ากับทวีปเกาะไปเกาะพญานาคมีคานักสการ์คานักสการแบบภาษาลังกานะมคุดนามคุดลังกาก็าบอกว่างี้เขาน่าสการ์เขาต่าวถหน้ากับโลกแล้วมีคนสงสัยันที่ว่าหน้ากับโลกมืองใต้บาบานใ เนวันคันทกุนเปตัมเอตัมกุตุมคันเเกผู้ชยามีมูนินดับสาสิริพาดต ร, รูผู้เชมีบุตรทำกุตุมาน น, า เ, นาเนเนาปุาาา่เนัเอเกนจะกกตุมุขคณะาระปฏิปนาปฏิปินาตระดังสินาสิโกะดีตัมตัมบุตรทำผู้ชยามีตะโมนุดำ สุขันธิน่านาังคันเทนาภูชยามิตภาพก็จำเนี่ยพุทธธรรมคำ ม, มังจะสังฆังสุขตัปสุขตาลุสวานาคโลกเกจะดูเปหลังกายังยำจะสติเปอินทศุราวะเรนาคโลเกจะดูเประบุเว่านาคโลขอรับราชการผู้จ่าในนาคโลกด้วย วอนนี้คุณว่าจะไปไหว้นมามัสการสูปส่ปากคุณพเจดีในหน้าโลกจะไปไหว้า ย, ยังไงกันหารู้ไหว่าไอ้หน้าโลกุกจะถูเตะในบดมูลคาถาในที่นี้อ่ะหมายถึงเกาะเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งกลายแหลมต่อจากเกาะลังการเรียกว่าหน้าคดีป า, ล า, าหาลังนูนแหลมจับนาโบรานี้นเนพราะนั่นเอง่องวันคดีพาาุ้ต้อาสนาน่หาเอกาที่พนาบอกมือพญาหน้าพาห้าไปมือหน้ามือหน้าคืนมาที่นี่เองมนุษย์ในที่นี้แหลเราหวหน้าพราตำูลแห่งนี้ด้วยว่ามือหน้า หน้าคลูเกจะผูปเป๋เขาใ น, นมรด ก, การผู้ ป, ปัดในมุ่งหน้าคลุกเกิดเทอะคือที่ในมุ่งหน้าคาลุกในสให้โบราณนี่มีมีพระเจดีก่อขึ้นไหวไหวพระบรมธาตุของเขาพระเจ้าไหว้ไหวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนึ่งคันปุยบดเนี่ยมันจะมีพยานาจริงๆมันื่นไปดูนะครับไม่ไท่นะครับในข้อนี้ออีกท่านหนึ่งถามมาอินทรพันยพิคุถามหมาว่าเป็นด้วยกรรมหรือบุคคลกรรมอันใดจึงได้เกิดมาเป็นคนกระเทย แนะนำด้วยว่าจะแก้ไขยอย่างไรกรรมอันนั้นจริงจะหายหรือแก้ไม่ได้ไปแล้วคนที่อยากแต่งงานแต่ก็ไม่ได้แต่งอยู่จนแก่เท่าตายไ ป, ไปอันนี้จะเป็นกรรมอะไรหรือว่าเขาคนนั้นไมมีปุเพสสัมนิวาจิงขาดคนเข้าหุ่นส่วนหัวใจอย่างนั้นหรืออะไรหรือเป็นด้วยอันาหนจิต ด, ดวงไหนกรุณาช่วยเสนอให้จันแจ้งด้วยบุพกรรมที่ทํามาให้เป็นกระเทยนะ่ะกระเทยมีสองแบบกระเทยทางตายพวกหนึ่งกระเทยทางใจพวกหนึ่งสำหรับกระเทยทางใจนะ่ะ มี อ, อวัยวะเพศเหมือนคุณเราทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่ขของเลยครับแต่เกิดมาล่างเป็นชายใจเป็นหญิงหรือล่างเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายมีรสนิยมโอนเอียงไปในทางรัก เ, เดียวกันนี่เี็กระเทยทางใจพวกนี้มันเกิดกักบุคคลจตามิผมไม่ได้ใชนะ่นะจะมีพิษพวกที่ไหนหรอกอันเนี้ยต่อมิผมต้องเก็บตัวรุนแรกว่าถ้าสมมติว่าใครเกิดเป็นผู้ชายมาห น, นาตัาข้าแสนข้าเกิดเป็ผู้ชายพ่อข้าที่ห้าแสนหน เกิดเป็นผู้หญิงมันตั้งตัวไม่ทันไอ้ความเคยชินที่เกิดเป็นผู้ชายมันก็หาแสนชาติพอชานี้เกิดเป็นผู้หญิงต๊อกไอ้ความเคยชินที่เป็นผู้ชายมันติดมาด้วยทําอะไรมันก็จิตใจเป็นผู้ชายเป็นอกฝามต่อพูดมาด้วยอย่างอกฝามต่อมาก่อนไอ้สีที่เกิดเป็นผู้ชายมันหาแสนชาติจนชิน่ะมือนกั น, น, กนเกิดเป็นผู้หญิงก็หาแสนหาหาแสนชาติพราะเกิดเป็นผู้ชายในชาติเป็นหาแสนหนึงตั้งตัวไม่ทันจิตใจตั้งตัดตัวกระเหตุการไม่ทันเกิดมาก็เอาในสายผู้หญิงติดมา อย่างนี้เป็นทางใจอุปกรณ์อื่นอาจจะมีนอกนี้ก็มีแต่ยังไม่ทราบสําสหรับตะเคอประเภทอวัยวะเพศนิปริตอย่างนี้แล้วก็มีมีหนาจักราเล่าไว้คือพวกปันดอกพวกนี้เป็นอตุลพวกอุปโตูพยัญชนะกัอุปโตพ ย, ยนนัญชนะกัปยยนนมีเครื่องเพศสองอย่างในตัวตะเคอร์แบบนี้เป็นพ่อชาติต่างก่อนชอบประพฤติผิดในการชอบตอนตัดอุปกรณ์ทําให้เกิดมาเป็นอุปโตพ ย, ยนนัญชนะกั ถามวาจะแก้ไขาอย่างไรเป็นบุคคลาแล้วถ้าเธอที่ตป็นอุตูพ ย, ยัญชนะพวกนี้เป็นเหตุกลับติตุนที่บุคคลไม่มีทางแก้ไม่มีนอกจากจะไปผ่าตัดถึงหาตัดยังไรก็ฟังวัดปุ๊ผ่าซักวัดปให้ทางใจยังห่าไม่ได้เหมือนกับพวกที่เป็นทางใจอ่ลละไปฉีดคอโมลลรักษายัางไงมันก็ไม่แคล้วที่จะหันเข้ารอยเดิม ตัวคนที่ไม่ใส่งานจุนท่าจนแก่ตายไปเนี่ยผมบอกคนนั้นมีบุญนะไม่มีคู่มาต่อความเดือดร้ อ, รอนนะ้มีบุญแล้วมีบุญจะเสีย อ, อกเสียใจคุญจะภาคบุญใจว่าเรานี่นนะแม้ในรอดในพันนี่เรารอดเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีคู่น่าจะภาคบุญใจเนี่ยควรจะภาคบุญใจอย่างยิ่งทีเดียวว่าเรานี่ย ร, รอดไป่รอดครูไปได้ไม่ต้องเกิดเป็นขี้ขาดใครก็ใช่ไม่ต้องเอาเสือต่างน้ําหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูปูเต๋อเขา หาเงินพอเท่าไรเราใช้พวกเราเองเข้ากระเป๋าเราใช้เข้าห้องเราหาบดิบกลําพักลําแข้งเราแล้วก็เข้าห้องเราเองไม่จงรู้แบ่งให้เมียใช้ให้ลูกใครไอ้เี้ไอ้ลูกมันไม่เจ้าหนี้เจ้าหนี้มากกว่ามาทวงนี้เราอะมาลุมตอมเราลุมกินกินแรงงานของเราเนี่ยออยู่ดีดีไม่หวาดีแล้วก็ไปข่อยข้าเรีเข้ามาหาบางคนบางบางคนอยู่คนละมือนคนละจังหวัดเนี่ยอุตส่าห์ดิ้นโดนไปลีเข้ามามาเป็นนายเราเลยมาเป็นมาลุมขึ้นเลือดเนื้อเชื่อเราออกไป ตีเขามาไอลูกกเหมือนกันไปสร้างเขาขึ้นมาแล้วก็บำรุมตอบบำรุงกินเราแล้วก็ต้องอาบเอือกทำงานตัวเป็นเกียมมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าเลี้ยงเมียทุระไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวสบายกว่าอยู่ตัวๆๆคนเดียวสบายกว่าไอการมาคุณเน่ยใช่ว่าจะเป็นโงชะกยิบสี่ชั่วโมงกไร้เสร็จแล้วเราก็เบื่อแล้วเบือแล้วคุพอได้ตามมาก็คือว่าต้องมีขี้ข่าลูกขี้ข่าเมียทำงานอาบเอือต่างน้านาคิดอย่างเอารูกคิดมาคิดอย่างหัวการค้าแล้วกําไรไม่พอขัดคุณ กราค่สองบาทแต่ไปที่ข้าวาตลอดชาติตัวอะไรไม่มีระเบิดนักหนาแล้วครับนะฮะข้อนี้เพราะฉะนั้นถามว่าดุจพ่ออะไรา่อข า, าดคูตเป็นนิบาวหรืออะไรข้อนี้เข้าใจว่าลุงอาจจะคืผ้าคู่เข้ามาภาคก่อนถ้านี้สิ่งรักอนสมรักสองถ้าหากว่าจิตใจแม่คุณก็ว่าถ้าอหลวงขาดคู่ก็ต้องถือว่าเป็นบุญของเราแล้วเราต้องเคยอธิษฐานความาจริงในภาคก่อน ทานนี้อันมากจริงคอยปัดไอ้พวกเจ้ากรรมนายเวรประเทที่จะมาเป็นเมียเป็นผัวให้ทนๆกระแสตัวเราเพราะต้องถือไอ้เมียผัวนี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานะรูกเมียผัวนี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะั้นมันพยายามคอยมาตาำทึ้งเรานี่ไม่อยู่สองทางวันนี้สามถูกแล้วนะครับพอแร้นะครับจมกินจัญญายตระณะกับอารมณ์ของนิทานต่างกันอย่างไรนะอารมณ์เขออากินจัญญายตระน่ะหมายความว่าพยายามจะดับไอ้ตัวรูปไอ้ตัวที่รู้ว่ามีความว่างเนี่ย ตัวรู ite, so ้เนี่ยไอตัวรนี่คือตัววิญญาณเนี่ยไอตัววิญญาณันจะจตนาหนิแหละพยายามจะดับอตัววิญญาณนันจะจตนาว่านิดนึงก็ไม่มีนิดนึงก็ไม่ไดดับแบบไมึงดับไปหมดดับไปหมดนิดนึ่งก็ไม่มีนนึ่งก็ไม่มีแค่เม่อยังรู้อะไรทั้งนั้นแล้วดับไปดับไปเนี่ยเพ่งในไงเนี่ยอารมณ์นิพพานอะมันจะดับไอตัวนี้อารมณ์นิพพาน่ะหมายถึงอารมณ์ที่ลอยวางหมดแล้วดับหมดแล้วดับหมดลยครับไม่มีอะไรดับว่างเปล่าหมด มะไม่ใช่ว่างใ อ, อากาศนั้ะไม่ใช่นะไม่ใช่่างในอากาศว่างในนิพา น, นที่นี้หมายก็ว่างจากปัญหาอาการนี้ปัญหาว่างไปหมดเป็นนิพานเราว่างจากปัญหาเลยครับจิตว่างจากปัญหาไม่ได้จิตเป็นนิพานไม่ไดอ้อาการที่ว่างนะ่ะคือกิริยาของจิต ไม่ใช่ไม่ใช่อามณนิพพานนะครับตัวจิตนั่นไม่ใช่ตัวนิพพานแต่แต่จิตเอานิพพานเป็นอารมณ์จิตเอานิพพานในอารมณ์เอาความว่างเป็นอารมณ์จิตเอาความเลอะเอาความว่างเป็นอารมณ์จิตเนี่ยก็โง่สิครับในเมื่อขณะที่มีนิพพานในอารมณ์ปัญหาก็ไม่เกิดสิครับตั้งใหม่มาตั้งปัญหาใหม่สิครับผมฟังไม่เข้าใจ ใช่ครับให า, า, น า, นาว่าเมา่นมา่มน า, นาด่สอให้้ไปน า, นานี่นานาให้ครัก่ไ้ควาบไม่ใครครับคืออย่างนี้เลยครัเป็นอุปมาอย่างนี้อ่าเรามีทีคใครเป็นตัว อาการาที่คลาที่คลานี่เหมือนกิเลสตัวเรานี่เป็นจิตแล้วอาการที่เราหาบ น, านั่งชำระที่คลาออกตัวเบาสว่างสบายในขณะนั้นรู้สึกว่าเบาจัดเบาขึ้นมาสะอาดขึ้นความสะอาดเกิดขึ้นตัวเราเนี่ยถามว่าความสะอาดกับตัวเราเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับในขณะนั้นอะความสว่างความความสะอาดกับตัวเราเป็นอันเดียวกันหรือครับ อ, อ้าวไม่ใช่อันเดียวกันเลยครับ ผ่านถูกแล้วจิตตัวจิตเป็ น, นพานแต่จิตเอาอารมณ์เอาทานเป็นอารมณ์ครับคล้ายๆความสะอาดเกิดขึ้นในขณะนั้นความสะอาดก็่ใช่ตัวเราความสะอาดนะท่าจะพูดว่าเป็นส า, ามันยนามเขบลกเก้าอี้สะอาดความสะอาดก็ไม่ใช่ตัวเก้าอี้แต่่าเกก็เก้าอี้ตามหลักของตกกักตนะฮะ ต, ะตะ้องงยังกับมอิ่มความอิมมอ่มกับตัวคนอิ่มเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับไอ้ความอิ่มกับตัวานู้อิ่มเนี่ยเราจะว่า คนละอันก็ไม่ได้มันเกิดกับคนคนนั้นเราู้จากความอิ่มก็ต้องมีตัวผู้อิ่มเป็นประทักฐานให้เรารู้จักนะฉันเดียวกันความอิ่มจะเกิดขึ้นโดยมีตัวผู้อิ่มไม่ได้แล้วตัวผู้อิ่มจะเป็นอันเดียกับความอิ่มไม่ได้ถ้าตัวผู้อิ่มเป็นอันเดียกับความอิ่มแล้วตัวผู้อิ่มนั้นจะต้องมีความอิ่มตลอดการไม่มีไม่ไม่มีรู้จักหิวเลยก็ต้องอิ่มอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะการที่ตัวผู้อิ่มนะไม่สามารถจะอิ่มอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันได้ก็แสดงว่าความ นนี่ทางไม่ได้สิครับตังตักจิตนะได้ใช่ใช่ครับตังกันที่ว่ากินจัยะนยายจตนาหนาพยายามจะดับไปตัวรู้ดับไปตัวจิตแต่ดับไม่ตลอดคือปฏิเสธนิดนึงก็ไม่มีนิดนึงก็ไม่มีแอนิดนึงที่นี้ไม่เพียงแต่ตัวรู้ของข่านะ่ะนิดนึงก็พยายามจะให้มันมีมมตัวรู้ของข่านะ่ะนิดนึงก็พยายามจะ ให้มันไม่มีว่างนี้ตัวนิพานอ่ะดับปัญหาปัญหาไม่มีไอตัวลูกนี่มันก็ไม่มียังมีตัญหาอยู่ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่ามีเชื่อปัญหาอยู่ข้างในไม่รู้แหละนึกว่าการดับตัวรูกเนี่ยมันจะเป็นง่้ยเหตุในคนได้แต่อันที่จริงตัวยังหวงอยู่หวงไอตัวรูกว็อยู่หัวหงอยู่ในขั้นทุกขุมนะแต่นิพานอ่ะเอาความที่อาการที่ปัญหาดับมาเป็นอารมณ์อาการอาการที่ตัญหาดับเป็นนิพาน แล้วก็จิตเอาอาการตัณหาดบบนี่แหละมาเป็นอารมณ์มือหนึ่งคนกินข้าวแล้วความอิ่มเกิดขึ้นอาการกินข้าวมันจะเล่นมานะความอิ่มเกิดขึ้นนะ่ะเหมือนนิพานเมื่อถึงมรรคถึงผลแล้วกินข้าวลงกระเพาะเป็นกระเพาะแล้วความอิ่มเกิดอาการที่ความอิ่มเกิดนะ่ะเปรียบเมือนกับนิพานซึ่งเกิดกับคนคนนั้นหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วอาการที่กินข้าวนะ่ะเป็นมรรคเป็นผลที่เขาเจริญขึ้นมาตามลําดับเนี่เพราะฉะนั้นนิพานคือความอิ่มจิตไม่ใช่ตัวผู้นั้นไม่ใช่ตัวผู้อิ่ม ฐานนิพพานจะไป็นตัวผู้อิ่มแล้วคือนิพพานเป็นจิต แ, แล้วก่อผู้อิ่มจะต้องอิ่มอยู่ตลอดการหิวไม่ได้ต้องอิ่มอยู่ตลอากาลเลยไม่รู้จักคำว่าหิวเลยการที่ตัวผู้อิ่มน่ะยังรู้จักหิวได้เมือาหารด้อยแล้วนั่นก็คือแสดงว่าความอิ่มน่ะไม่ใช่ตัวผู้อิ่มนี่เป็นยางั้นครับใช่ครับปัญหาดับปัญหาดับ นีโลทัสตัดไที่นี้หมายถึงอาการดับปัญหาด้วยว่นานิโรธัตัดนี่โลทูนามนิพานังไวพุทธนิพานปัญหาขยโยมรณีม ร, มรโดโออารยะเป็นมุขคาโตปรตูประเทโดม า, ม า, ากม้ไก่กองเลยใบ ไ, ไวพุทธของนิพานน่ะนะปัญหาดับเป็นนิพานปัญหาดับเป็นนิพานใช่ใช่ครับทุกดับถ้ า, อ ย, าอย่างนี้ครับก็องแยกนี้เราเวลาเราพูดภาษาเนี่ยทุกดับ หมายถึงผลผลดับองุ่ดับแต่ปัญหาดับมาที่เหตุดับนะถ้าเราบอกปัญหาดับเป็นิพานอย่างนี้ต้องแสดงถึงสัพพะปิเสสัพแต่ถ้าทุบดับเป็นิพานมาถึงอนุพะทิเตสัพต้องรวบยอดอย่างนี้มักเผู้เห็นมักกจิตเป็นผู้เห็นพลกจิตเป็นผู้ถู้แก้าสิครับ ในขณะที่มรดจิตโตดนี่น่ะมันทํากิตพร้อมกันในตัวเสร็จกําหนดรูกทุบละสมุไทยแล้วดับปัญหาด้วยพร้อมกันเลยในขณะนั้นท่านปรีมนุษย์ดุลพระทิพในขณะที่เราจุดไฟแคกสว่างขึ้นน่ะอาการไหม้ใส้ปรากฏน้ํามันแห้งปรากฏแสงสว่างปรากฏความร้อนปรากฏทั้งสีสีอาการสอย่างนี่เกิดพร้อมขณะเดียวกันที่ไม่ขิดไฟจุดแกละไอ้ตะเกียงพอาไฟจุดที่ใส้ตะเกียงปุ๊บมันทํามีปฏิกิริยาสี่อย่างขึ้นมาพร้อมกันเลยไม่ใไส ปรามร้อนปร า, ารกฏน้ามันเร่มแห้เนี่ถึงแม้มองเห็นตาเ่ามันม่แห้งความจริงมันเริ่มเขาใหม่แล้วเพราะติกิริยาทางวิยาสาวบอกน้ามันเริ่มลดแล้วเขาให ม, ะะม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกความร้อนแล้วเพราะฉะนั้นจิตตในอริยสัจในมรรคยานน่จึงต้องนเจองในอริยสัจสี่พร้รรอมกันในขณะจิตวงเดียวนาฮะ ทุกเกดในที่ใดไม่มีเหตุเกิดทุกในที่นั้นงนั้นเลยครับอ่าอันนี้พูดนอกนอ ก, นอกนิเทศเขา m o n ั r c h ์พูดได้อย่างนั้นแต่ใน monarchy แรกมันพ้องกันหมดครับต้องต้องยกเว้นในขณะที่ทํากิจอริยศักดิ์สิทถึงมัรรยาน แ, และละก็อริยศักดิ์สิจะแยกออกเป็นประเด็นประเด็นเป็นข้อข้ อ, ขอไม่ได้มันต้องเห็นพร้อมกันในขณะเดียวกันเพราะถ้าไม่เห็นพร้อมในขณะเดียวกันแล้วก็มรรจิตต้องเกิดหลายดวนกว่าจะมาหน้าที่ประหารไอ้ทำหน้าที่อันดวนหนึ่งเนัดดวนหนึ่งประหารเนมุทายดวนหนึ่งประหารทุกตายเลยมัิตนีี้ดเยว มีดวงเดียวเราปติมากกดวงเดียวสกเทกเทีรค า, า, ามากกวดวงเดียวอารหัตมักกว่ดวงเดีย ว, กยวปกดวงรวบยแล้วมีสี่ดวงเกิดคนละขนาดจะเกิดพร้อมกัน3ขนาว่าดวงหนึ่งชันละทุกนะดวงหนึ่งว่าเป็ไทยนะดวงหนึ่งเป็นี้โรหนะดวงหนึ่งตป็นมรรคนะตัว น, นวเองนะไม่ได้ไม่ได้ครับเปงทําหน้าที่รูปแยกเลยเพราะฉะนั้นจิตในรียนสะัตว์น่ะถ้าเป็นสุภาพที่ยังตนชั้นภูมิปัทนาเห็นมีราอย่างถูกแล้วเตุของทุกข์กับทุกข่ะต้องแกกันอู่ในภูมิวิทยาน ที่ยังทําไม่ถึงมรรคขยานถ้าคุณมรรคขยานแล้วต้องเห็นสี่อย่างทํากิจท้อมันในประหารในขณะเดียวกันมรรคจิตท่านจริงมันอย่าเพียงดวงเดียวคุวนพระมจิตน่ยมีสองอย่างมากไม่เกินสองแล้วแต่เป็นคันภาปัญญาจิดตาปัญญามีสองถามบอกว่าพุทธประวัติแสดงว่าพระบรมสาสดาไม่เคยประด็จมาแหลมทองก็จริงแล้วแต่สมมติว่าฤาษีสัจพันธ์เป็นผู้มีบา ร, รมีแก่รอดสมควรแก่การบรรลุอรหัต ไปเข้าอายพระยานข้อนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงเสด็จมาโปรดโดยปาฏิหารเช่นออกมาโกรดนี่ได้หรือเพราะอาตมาชเชื่อมั่นว่าพระบาสมเระนลอุลยนั้นเกิดขึ้นเพ ร, ะพรพาะคุณปาฏิหารจรงิงข้อนี้ผมไม่คัดค้านเลยเป็นไปได้ครับถ้าเราเชื่อในทางอระพิญญหารว่าถ้าหากว่าท่านฤาษีตะเจพันเป็นเวนยิยัสย์แล้วพระนศาสดาก็มาไม่ต้องออกมาก็ได้เพียงแต่ถอมลูมลูมายากายออกมาสแสดงพระ อ, องค์ดูลักษณ์นี้โอภาษมาปรากฏทั้งที่ที่พระองค์ทัพิเฉดตะวันเนี่ยพระ อ, องค์ถอดกายทิพย์มาปรากฏที่ สรละรีได้ก็ต้องเหาะมาในไกดนี้จริงๆเลยไม่ต้องเหาะเลยเสด็จต่อมาอย่างนี้ได้คนปัจจุบันยังทําได้เลยอย่าว่าแต่สมัยพุทธยาคนปัจจุบันนี่ยังทำได้แบบนี้ในอินเดียฤษีสีวานันทาขอนใจทิพป์ตะเปต้ากฏที่ประ เ, ศรระเทศฝรศั่งเศสตัวท่านที่ภูเขาอีมาลายจตบนฤษีเกตพวกฝรั่งที่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะเขาพิสูจน์หฐานกันคือเอาลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นสัปราชาันชาฝรั่งเศสอยู่ที่กรุงปารีสเข้าฌานเข้าโยคะ อันโชิท่านสิวันันท่ามาปรากฏมาปรากฏวันเวลาเกิดไว้มีตั้งคณะกรรมการคอยดูแล้วก็เคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งมาหาท่านสิวันันท่าที่ฤาสีเกตตำบลภูเขาหิมาลัยคุยกับท่านอยู่พุทธนาข้อโยค่ากับท่านพอถึงกาหนดวันเวลาที่นัดหมายไว้ท่านสิวันันท่าก็บอกกระลุกติ์ที่เป็นคณะกรรมการมาเช็คท่านบอกเขาว่าเวลานี่มีคนกำลังติดต่อทางเดียวข้ามาหาท่านแล้วเขาต้องการเชิญท่านไปพูท่านไปพูดเขาหน่อยพอพูดท่านั้นกอ็ เข้าทีหลับตาไปเลยหลับนั่งเฉยไปพวกคณะกรรมการรีบจดจ่ายเชื่อมจดบันเวลาดูนาฬิกาข้อมือจับวัดวััดเขียนทางเมือกุงปารีสคณะกรรมการและผู้ที่เข้ายูกาเข้าฌานอัเชิญท่านติวานันท์ะเดินออกมาในเวลาเดียบขณะที่กายขึ้นนั่งที่อินเดียแล้วแต่กายที่ตั้งในปรากรแล้วที่ปารีสในฝรั่งเศสดูเรามาเลยมาถามแต่พราเจ้าฝรั่งคนนั้นบอกลูกเออเชินพ่อมาทำไมเรื่องอะไรถามอย่างนี้ แล้วก็อิปาเอลฝรั่งเศสคนนั้ น, น่ะก็ตังปัญหาทางโยคะถามท่านการากตายตัวสูงท่านที่ปาลิอันเปนอยู่ประมาณสินาทีแล้วท่านก็จากไปพอจากไปทางนี้ก็ออกจากออกจากที่ตูขึ้น ม, า, า, า, กก ม, ม า, าแต่ว่าตะกี้ชันไปฝรั่งเศสมาบอกเล่กรรมการตะกี้ที่ฝรั่งเศสมาเขาจะแจ้เท็คเรียบร้อยแล้วโทเลกไปบอกว่ามีปากการอะไรที่นั่นไหมขโน้นโทเเลกตอบว่ามีท่านศิวานานันลัไปในเวลา แล้วก็คณะกรรมการในรชุดหนึ่มาหาท่านสีวานันท่าที่ฤาษีเกศตาบลภูเขาหิมาลัยคุยกัท่านอยู่พุทธนาข่อยโยคะาัาท่านพอถึงกำหนดตอนเวลาที่นัดหมายไว้ท่านสีวานันท่าก็บอกกระสูกศิ์ที่เป็นคณะกรรมการมาเช็คท่านบอกอกว่าเวลานี่มีคนกำลังติดต่อทางโยคามาหาท่านแล้วเขาต้องการเชิญท่านไปพุทธท่านจะไพุทธขหน่อยพอพุทนพานตะ ก, กอเข้าที่หลับตาไปเลยหลับนั่งเฉยไป ผู้คณะกรรมาการรีบจบการเชื่องจบพันเวลาลดูนาฬิกาข้อมือจับปุ๊ปั๊บปเขียน ท, ทางเมืองกรุงปารีสคณะกรรมาการและผู้ที่เข้ายอยู่ค่ะเข้าฌานอันเชิญท่านที่ว่านัน่งพระเดินออกมาในเวลาเดียบคณะที่กายเขาอยู่นั่งอยูอินเดียนะแต่กายที่ต้องไปปรากฏแล้วที่ปารีสในรั่งเศสดูออกมาเลยมาถามพระราชาฝรั่งคนนั้นบอลูกเออเชินพ่อมาทํำไมเรื่องอะไรถามอย่างนี้ แล้วก็อิตาลุสเฝดพลงเศษค น, นนั้นอ่ะก็ตั้งปัญหาทางโยคะถามท่านการฟากตุ้งท่านที่ปลารีสอ่ะเป็นไปอยู่ประมาณสินาทีแล้วท่านก็จากไปพอจากไปทางนี้ก็ออกจากออกจากที่ตูขึ้นมาเพราะว่าเมกี้ฉันไปฝรั่งเศษมาบอกแล้วนะกรรมการเมื่อกี้มีฝลั่งเศสมาเขาตัดแจงเช็ดเรียบร้อยแล้วโัโลเลข ไปบอกว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่นั่นไหมั้า น, น, นร้ทรเ็กตอบโมกมีท่านีวันทไปในเวลาทางนั้นเวลาทั้งนั้นนาทีนั้นจับนาฬิกาตรงกันที่จดตรงกันเป๊ยกเลยทั้งนี้เราสาษี บ, บอมีคนเชิญท่านจะต้องไปละทั น, นเห็นตัวท่านปรากฏทันทียาติคีจากปารีสจากอินเดียไาอยู่ปาีติดนทีเองเนี่ยเร่องมนุษยากายกายสมเด็จยใจถอดกายไปอย่างนี้เลยนวนในพุทธาสนาว่าสแสดงอุพาใปรากฏอย่างสแสดงกรมัะกุลีมารณเนี่ แสดงโอาสไปราดกดตะไวหรือแสดง ก, กระพวัตกะลระพวรกะลเอง่ า, าตัวตายกระดบขเขาตายอะ่ะถ้านพิจารณามจะเป็นต้องขอปราดกดจริงๆไม่จเป็นอคติฐานแล้วก็มนุษยกาศกไปปราบกดที่นั่นเลยถอไปอยู่นั่นตัวท่านเชีตะวันมนุมยกาไปอยู่ที่นั่นไปหเห็นผูดไดแสดงทาไดมุ่งคุณจริงพุง่งนาวถอดกาทิพย์ท่านไปอย่างนี้ทาไดเพราะนั้นในปัญหาข้อนี้ผมก็ไม่ไม่ตัดสินถ้าในกรณีเกี่ยวกับปาฏิหารนะครับก็เป็นไปได้ว่าพระองค์จะมากดรอนศาตไว้ ท่านมหาสมัยถามมาบอกว่าคนที่บอกบอกสอนสอนกันและกันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงดําเนินตามทางอริยสัจสีแต่เมื่อสังเกตดูแล้วอาจารย์เหล่านั้นกลับมาสู่หินธรรมเสียโดยมากมา เ, <c oughs> เป็นพราะเหตุใดเป็นเพราะเหตุใด <c oughs> ผมเชื่อว่าท่านมหาคง <c oughs> จะทราบไปยครับเพราะทีเป็นเพราะเหตุใด <c oughs> ก็เป็นเาเหตุว่า ไม่สามารถสั่นสะเทือนพยามารไปได้สิครับม้วนเก็บดอกไม้พยามารเดินกลางทางพยามารแต่งดอกไม้ริมทางว่าเยอะแยะเลยเอาไว้เดินไปก็ชมไปก็เลยเพลินเลยไม่อยากไปต่อดอกไม้อาไรเลยไปไม่พ้นไปไม่พ้นมารนี่ไม่ใช่ไม่เชียวเพราะอะไรพรดอกไม้พยามารเก็บเขไม่เพลินชมสวนชมนกเดินไปไม่ใช่อะไรนะตอนนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องว่าว่าอย่างนี้ครับอ่า เราสมัยนี้นะท่าไปเกิดในสมัยพุทธเจ้าแล้วต่อตอนนี้ผมเชื่อว่าผู้ที่ท่านว่าว่าให้ท่านพัออิยศสีเนี่ยท่านคงบรลุภรรคผลไป ต, ตามๆกันเยอะแยะแล้วสมัยนี้เราจริงเกิดในขณะสมัยแม่พระยะิยาสีสาวสมัยจะปรากฏอยู่แต่ผู้ที่จะมาช่วยเราไม่ปรากฏผู้ที่มาช่วยเราคือพระพุทธเจา้าคนที่ไปเกิดในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยจรงเกิดในที่เป็นขณะสมัยเกิดในพุทธปาฏิการเนี่ยพระพุทธเจา้าท่านใช้พลังจิตช่วยสาวกให้บรรลุภาริยานรู้จักข่าวตาข่าาย มาทุกสงไยเราเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์กรรมฐ า, านใหญ่ๆท่านก็ไม่สูด จ, จะมีพลังจิตบำแบงให้เราหรือจะมีบ้างก็ไม่รู้แต่เท่าทิ่ปรากดดูก็หาจยากเป็นคนที่จะแบ่งให้เราโดยมากก็ไปไปก็ท่านก็เป็นนักนวัตกรรมโดยมากไปไปก็เป็นขอสร้างไปไปพีลาก็สร้างคนทำท่าจะดีหรออยู่ป่าอยู่เขาพอมีราบป ก, การะมีลูกศรริษย์รบริวารเกิดขึ้นแล้วท่านกับท่านในหนึ่งนวัตกรรมก่อสร้างโดดผู้ดีมีหารไปไอสมาธิไอปฏิบัติที่เคยทำก็ป่อยปละวางไปนักงข้าวกระเสือมลึงเนี่ย เพราะฉะนั้นจริงเป็นพระพุทธเจา้าจะบอกว่าไอุ้ราพวกนี้น่ะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมุรเสียงจริงเป็นเสียน้ำต่อพระทมราเนี่ยผู้ที่กาวบอกว่าเ้ยคนทำสมาธิได้ไมันจะเป็นต้องอยู่ป่ายอยู่เขาหรอกอยู่ในเมืองก็ทำได้ไ อ, อันนี้พูดตามพิสีพูดได้แต่ปฏิบัติข้าจริงทาไม่ได้หรอกทาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเระเจออกตะคุเลยกบิลพัทได้ ส, สิแตเขามจะต้องมาลาละมืองกบิพัทมาอยู่รู้เวลาเป็นานานคนทาไมเรา ก็ อ, อยู่แต่ทที่นั่นเลยไม่ดีกว่าหรืออยู่ในถ้ำกลางนางิมพ์จะู่ลาาขอนขามกัะยาีงงแล้วลบรรลุเป็นสมาสมธิญาณนี่ง่ายกว่าหรอเออเอาอย่างไอ้การพูดอย่างนี้นะเอาขนมาพูดไม่เอาเหตุมาพูดเอาขนไอ้คนณจะทสมาธิถ้ำกลางเสียงแจ๊แจได้เนะแปว่าคุณคุณนั้นต้องทมาได้ก่อนแล้วทาจนเป็นวสีจนเชี่ยวชาญแล้วเขาารจะเอาสกัดมามาติดทศพันอันข้างข้าหูก็ไม่แค่เข้าสมาบัติได้ ต้องทำถึงมีวสีไอ้คนนี้ทำไ ม, ไม่แบบไม่ได้เลยกายวเิเวกยังไม่มีจะมีจิตวิเวกได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่พูดแบบว่าในบ้านในกรงก็ททำได้เต่ทำสมาธิแล้วก็ไม่จริงเลยพูดตามหลักทฤษฎีข้าพุธการน่ะคนนี้พระสีอยู่ตรงที่ว่าได้แบง่งได้แบ่งพลังจิตของพระสารีบารมีสีตัวพระพุทธเจ้าช่วยเราเป็นอหัหันตาง้าสิเซตข้าพุทธกาอนาอนาจิตสะกดจิตับเราพระพุทธเจ้านะฮะแอนาจจิตของท่านอะะกดจิตกเราเฮ้รา สมาธิยันเออเราเร า, าทาคำาอข้าพระพุทธเจ้าเนียเพียงเห็นหน้าเราก็มีสมาธิแล้วเห็นหน้าพระเจ้าขนั่แลาสมาธิแล้วไม่ไม่เช่นนั้นแล้วก็ น, นางทาสีคนมันจะไปแขวนคอตายที่ส่นไม้เชือกก็แขวนไว้เรียแล้วแล้วเอาคอสอเข้าไปในหวนแล้วกาลังจะจะตุกเชือกให้ขาลอยิไปพระพุทธเจ้ า, จาเดนเฉียดไปเห็นหน้า นางทาสีคนนี้ใจไม่ยังไม่รู้ว่าคุณเป็นเจาสน้ำนะใจคอเกิดปิติขนพองสยงกล่าขึ้นมาแหมดีใจและเกินเห็นพระลูกโศกเลิกคิดฆ่าตัวตายในขนาดนั้นเลยนี่เป็นเพราอะไรเพออะไรอำนาจนี้อำนาจจิตเข้าไปสะกดเพราะคนไอ้คนคนนั้นน่น ะ, กะกนนนนะเกิดการระงับทุกอย่างฉับพลันทุกจนจวนจีนจะอยู่ในโลกไม่ได้แล้วจะฆ่าตัวเองแล้วเพียงแต่เห็นหน้าพระต่างอย่างนี้อความทุกข์หายเป็นติดพิงหมดคิดดูแล้วคนอย่างนี้นะเพียงแต่ฟังทำประโยชนี้ก็มีดวงตาเห็นทมแล้ว พระพลังธิตพท้เเจ้าน่ะไปสะกดจิตเขาเอาไว้ให้บันบัดให้ความอัรมที่เป็นทุกข์ออกไปแล้วไปสร้างสมาธิให้เกิดกับเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นคนในขั้นวตการฟังเทศทับเดียวกันเดียวกับบรรลุประโยชน์เดียวกับบรรลุเราบอกนบรรลุกันง่ายง่ายได้กันนี้สมัยนี้ฟังทำป็นหวดำเปหูหอกก็มมันลุ่มทั่วประเทศทกฟังมันต่างกันนี่นาะนี่มันันผู้เป็เจ้าแสดงนี่ผู้เป็ชนกับผู้เชนแสดงมันก็ต่างกันสิครับเรือ่อหืงัน เลขที่ร้อยสี่สิบห้าถามมาว่าอาตมาเคยได้รับคําพูดจากเพื่อนว่าในเมื่อเวลาในหลวงเสด็จเข้าไปในปูชนิยสถานต่างๆอาทิเช่นพระอุโบสถพระพระแก้เป็นต้นแล้วไม่พอดฉลองพระบาทออกเป็นความจริงหรือไม่ถ้าจริงจะผิดประเพณีทางาศาสนาหรือไม่ไม่ผิดครับเพราอย่าลืมว่าการแต่งยูนิฟอร์มในเครื่องแบบเช่นพระอานบกพระอานรัว ก, การจะเข้าราชการพลรวนในเครื่องแบบนะครับหรือแม้กระทั่งสากรตามแบบนิยมทางตะวันตกเขา ถุงน่้รารองเท้านี่ถือเป็นเครื่องแบบอย่างหนึ่งถ้าขาดเสียกลับเป็นการในรกระสับสถานที่ยกตัวใหญ่างเ่นเราแต่งตัวยูนิแฟ้มแต่ไปในบดฝรั่งเขาแล้วเราถอดรองเท้าถอด ถ, ถุงออกฝรั่งจะมองหน้าเร า, าอ่ะไอหนีมันโอหังไม่เคารพตัขอ ง, องกูแหน่เป็นอย่างนั้นเมื่อประเทศนี้ไทยเราดัดแปลงต า, ตามตะวันตกต้่งนีถุงน่งรองเท้าแต่งเครื่องแบบอยู่ในยูนิแฟ้มแต่งชุดฟ้าคนถ้าไปถอดรองเท้าเสียอีกกลับจะเป็นการในรกระสับสถานที่ พอเราืธรรมนิยตวรรษตกนี่ขอทุงเท้ากลับไม่เป็นการขรุษสถานที่ข้อนี้มีพระมาหาสมณะวินิจฉัยมาแล้วไม่รู้ราชการนิหาแต่้ตั้งเป็นปัญหาทูลถามสมเด็จมาหาสมณะเจ้ากรมยาววิเชียานวรรสมาผู้สมัยห้าสิบกว่าปีมานี้แล้วในปัญหาเรื่องนี้แหละแล้วก็มีสมณะวินิจฉัยเด็ดขาดว่าขอใส่รองเท้าได้ไม่ผิดเพราะถือตามธรรมนิยวัฒนธรรมตวัรตกการใส่รองเท้าเป็นเครื่องแบบอย่างหนึง่งที่ให้เกียรติกับสถานที่จึงไม่เป็นการผิดอะไรนะฮะ วันนั้นทานอาจารย์ตอบปัญหามิสเตอร์ซัตตันแต่งหนังสือปูพุทธวจนะทําไม่รู้อะไรอะไรดีขึ้นอีกแต่ไปฝ้าขัดข้องจึงอยากจะให้ช่วยตอบใหม่ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปและถ้าเลิกใช้หนังสือเล่ม น, นั้นแล้วควรจะใช้หนังสือเล่มไหนแทนในมหาวิทยาลัยจึงจะดีเพราะหนังสือเล่ม น, นั้นทำลายพุทธศาสนาโดยตรงเนี่ลดโด ย, โดยอ้อเหตุการณ์พระิสุในปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีความหมายต่อสังคมและบางคนก็ว่าเป็นกาฝากของสังคมด้วยนักศึกษาสำหรับข้อสองนี่ก็เพาว่า ปัจจุ บ, บันนี้น่ะทางลูกเขาดึงงานออกจากวัดไปหมดโดยที่ผ้าเราก็เฉยๆเหนื่อยๆปล่อยให้เขาดึงไปโดยที่ไม่ดึงกลับมาเป็นของเราเองเช่นปัญหาหุโรงเรียนในวัดที่ผมพูดมาตั้งแต่มาบรรยายที่นี่วันแรกแล้วว่าถ้าเราเองน่ะปล่อยให้เขาทำทั้งๆ ท, ท, ที่ก็เอาสายทีวัดเราก็ไม่ไปคิดไปควบคุมโรงเรียนหรือไปอจัด ก, การไปเป็นเจ้าของครอบงำโรงเรียนเหล่านั้นแล้วปลยให้ทางลูกเข า, าจัด ก, การแทนเราหมดเพราะนั่นก็ขู่ตัวเราครับว่าเราเองน่ะเป็นผู้ทําบาปเราเอง ทำลายความเป็นปูชนิยะของตัวเราเองของผระเราเองคือองานบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทํามามีประโยชน์ต่อสังคมเราก็ปล่อยมือไปให้ทั้งโลกเขาดึงไปดูที่ตัวเราเองไม่ตื่นตัวในการที่จะหวงแหนงานเหล่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นงานลุงลุงเรียนอย่างเงี้ยเราปล่อยให้ทั้งโลกเขาดึงไปหมดถ้าเราไม่ไปควบคุมแล้วที่พ้าเรามปควบคุมเขาก็อ้าวบอกพระเราไม่มีความรู้ หนึ่งความรู้ในการเรื่นรองค์นี้ได้อย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่ว่าหลักฐานการศึกษาพระเราจะเอาอย่างยุคเก่าแค่ตอสนามหลวงบาลีนักธรรมไม่ได้แล้วกราต้องตื่นตามโลกต้องเรียนรู้วิชาการต่างๆทางโลกแล้วข้อสำคัญคือว่าต้องมีอ่าต้องแบ่งหน้าที่ของพระครับง่ายๆว่าพระจะต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึ่งตุนท่านักศึกษาที่มีอนาคตแน่นอนไม่กว่าจะหาเจ้าศึกษาลาพีกระด้อย่างนี้เราก็ไปหาห่วงอะไรแต่ต้องมีพระอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องถวายพุทธประจันต้องมีพระประเภทนี้ที่กล้าถวายภุทธประจันแล้วก็อยู่เป็นหลักไทย ของชาวบา้านดึงงานต่างๆเอาไว้งานโรงเรียนงานเฮ้ยแผลถ้าที่จะทํางานตึกคุม ง, งานโรงเีก็ดีหรือเป็นงานเฮ้ยแผลก็ดีก็ต้องยอมถายตรงันจันตัวปฏิญาณตัวใ้ตุกแล้วทํางานต่อไปเนี่ยอย่างนี้จะสามารถดึงปูชนียากลับมาได้เพราะการที่พระเราอยู่ในฐานะเป็นนักเทศน์นักธรรมที่มีชื่อเสียงผูกคนเขาลุกมากๆเนี่ยแล้วอยู่ๆสุดไปเนี่ยเขาชาวบ้านเขาก็ อย่างสุวรรณีนะเขาหาว่าท tamam ่าเราเนี่ยเรียนเมึงฝรั่งกลับมาได้ปริญญากลับมาแล้วก็มาสุกกันเป็นแถวๆเขาตั้งข้อหากล่าวหาหัวนักเรียนในวิธีอะไรทางโลกเขาอะเอาไปชาวบ้านเอาเงินเอาทองให้ชาวบ้านไปเรียนมาอยู่อะไรต่างประเทศกลับมาแล้วก็มาสุกมาศึกก็กำลังรับราชการตำแหน่งสูงๆเป็นการแย่งอาชีพชาวบ้านเขาเขาตั้งข้อหาอย่างนี้เขาตั้งข้อหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หมูตลอดชีวิตประเภทที่เป็นนักศึกษา อ น, นักศกานี่เราก็ไม่ได้ตำหนอะไรเพราะการบวดก็เป็นการเรียนชนิดหนึ่งแล้วเมื่อวดเรียนไปแก็ไปก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วคนเลวอะไรปทาประโยชน์ให้กับบ้านเมืองสิเราส่งการคุณศึกที่เป็นข้าจการก็าตามที่เป็นท่อคาถาพอดีก็าตามถ้าได้บวมาจากพระ สุดก็ไปอย่างนี้กับจะเป็นการช่วยกระดุมสินธรรมของโลกให้ดีขึ้นถ้าอย่างน้อยท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปทำชั่วถึงกับไปคุกติดตารางอะไรแต่ผ่านกาศึกษาทางธรรมะอย่างดีมาแล้วแเราจะมองทั้งแง่ดีแง่เสียครับไม่ใช่ไปมองแง่เหาถ้าศึกแล้วมีดีอย่างเดียวอย่างที่เขาตำหนิเพราะเขาไม่เข้าใจพ่าถ้าศึขกของคนไทยศึกแต่ทำงา น, น, นก็อยู่ให้กับ ใ, ใ, ให้กับชาติเป็นพลเมืองคนหนึ่งเหมือนกันทำไมจะมาตั้งขอ้อตำหนิท่าศึกศึกนี่ต้องแก้กันเป็นเป็นปอบหลอ ก, อกในเรื่องนี้นะครับส่วนปัญหาในทัพตันนี่น่ะ หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหนังสือที่ในสักตั้งตั้งเป็นข้อสังเกตการระบบเศรษฐกิจสังคมกับอิทธิพลการศาสนาในเมืองไทยในสักตั้งอยู่เมืงท่าเทียงปีเศษลูงของศาสนาพุทธน่ะคึกฟ้าตลอดชีวิตก็ไม่จบแต่ในสักตั้งน่ะพังอาจเอาเอาใช้เวลาเทียงปีเศษตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสนาพุทธมาวิชาญศาสน า, าพุทธต่สอสังคมเมืองไทยแกจึงวิจารณ์อิทธิพลศาสหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะไม่เรียนก็ไม่เห็นตายกันหีือครับมัใช่นังสืออะไรกระองคันอะไรนักหนาคนอื่นนี่ก็แต่งหนังสือประเภทนี้มีเยอะแยไป อันนี้ก็แล้วแต่ข้อคณะบดีกละพระปราชญาคณะในกราลงกรนกันในธรรมศาสตร์เขาจะดำเนินจัดการยังไงบ้างผมก็ไม่ทราบนะฮะในส่วนในข้อที่ว่าจะแก้ข้อขอักหลาดในทั่นอย่างไรนะ่ะดูมือนเทพไปอัดว่ามี ม, ม, ม, มีมีอยู่นะครับอ่าเออเทพอันอนั้นฟังใหม่ก็ได้นะครับอ่ตาตรกก็เห็นจะหมดจริงเป็นอริยมรคจิตและเป็นเจตสิกธรรมหมดเป็นเจตสิกเชนว่าในหมวดศีนก็เป็นวิตรีเจตสิกไปนะฮะในหมวดสมาธิคือสัมมา สมาธิเนี่ยสมาสังกัปปาพวกนี้ก็อยู่ในเป็นเอกขกตาเจตสิกไปแล้วส่วนปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาเจตสิกย่อมัดมัแดดนุงนสินสม า, สวว า, าสธิปัญญาก็เดวีตตรเจตสิกเอกขกตาเจตสิกแล้วก็ตัวปัญญาเจตสิกสามดวงใหญ่เกิดกับมัคคิตเป็นเจตสิกในมัคจิตดวงนั้นไม่ต่างกันครับมักหน่ามีสอชั้นมักติเป็นโลกีนายอย่างหนึ่งมักเป็นโลกุตระอย่างหนึ่ง มัจจิโลเียอะไรก็ไม่แบ่งกันสิครับเป็นสรรมาอาชีวะเรียงชีวิตชอบอยังไงเ อ, อ่อสรรมาตะมันตาการงานชอบอยังไงแบ่งออกไปทางลูกทางนามตอนี้พอมาถึงมัจจิตแล้วประชุมตรงเจตสิกหมดอย่างสัมมาอาชีวะนี่อาชีวะกั บ, บริสุทธินี่ก็อยู่ในสัมมาอาชีวะแต่ว่าในขณะมัจจิปเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่อาชีวะกับบริสุทธิตศีน้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ ว, ลวรวมหมดที่เจตสิกนี่วียีเจตสิกรวมหมดรวมรวมกระทิสอยู่ที่นั่นแล้วหัวกทิสอยู่ที่ น, น สองลอยลายผาบอกว่าทำไมพระอินท์ถึงภรรยามากนี่เป็นตัวอย่างให้มนุษย์หรือให้ข้าสังไชนะอีกภรรยาหนึ่งบอกว่าภรรยาของพระเอิคนแรกชื่ออะไรคือธรรมะข้อใดจริงให้สามีเป็นทานให้สามีเป็นทานด้วยนะมีตัวอย่ากไาเล่าว่าผู้ที่ให้ภรรยาเป็นทานตรงนีคืออย่างพระเวทนท์นี่ให้การะอราาิจารทาให้สามีเป็นไอ้ภรรยาเป็นทาน สามีเป็นทานก็มีภริยาก็อินเลยภาพตอนไม่อยากจะถือข้อวิหัวอีกใช้สิยาในระหว่างนี้ร้อยมีหนูป็นใหญ่ไม่ก็คั่คนเดีหนาไม่ช้าก็ต้องแกงก่ไม่จาดทะเนวันนี้ก็ต้องจาดทะเลวันพรุ่ไม่จาดทะเนวันพุ่งก็้จากทะเลวันมะรีนต้องจาดกันมาหนึ่งคนได้หรอเขาจะมาห้าอื่วต้องมาท่ตัวให้เดียวไมและเมื่อวันอื่เขามารับรถคุจะตั้งเลขตามบริการที่จะเออเรารับถืออะไรนะ เพราะเราดีทุกคนช่วยกันวเราห้สบายใจเพราะได้ว่าัวเราไม่มีคเมดชีจึมีคนมาลักกันมาพิยาที่ในชาติตอเนี่ยได้ข้อคิดอย่างนี้ครับคือว่าพู้ชผู้หญิงที่ถัวมีรัผัวดมีเรื่้ายมีตมีใหม่ก็ตังขอหาที่จะให้ขาดหรอย่างไรก็ขาวแล้วก็จีนที่ไม่เชื่อวันหรือขาดเรื่องรหรือาจกัตายเนี่ยก็ไม่ต้องมีใจคุมเพราะว่าิเพราะว่าอยากจะเอาควารักของผัวเนี่ยเป็นของตัวคนเดียว เลยว่าถ้าใครมาสามีเราเราโกโกรธใครสงสามีเราเราชอเขาไม่ใชู่ที่เขารักสามีเราพู้นั้นจะเป็นผู้ชายเพเดียวกันก็ไม่ผูกกะไรแต่ถ้าจริงจริงมารักเปขาลเป็นสามีร่วมด้วยคนแล้วเราตึงตัวเป็นไง่อนีมาจากครข้นี้ท่านว่ามาจากวาข้าตัวเดียวเป็นเหตุไม่ใช่จากความรักถ้าเป็นความรักโดยสุดล้อจะมีการญึง ห, หัวปเป็นขเข า, ามขาถึงแปลอะไรล่ะ ถึงคำ้จะเนคำภาษาไทยนะมาจากคำว่าถึีศักก็แว่าดีเลยศักดิเป็นคำาานะาาว่าถึงนีเพราะเขารว่าถ้าไม่ถึงก็ไม่ครับไม่จริไม่จรให้ให้ถึงกันให้รักก็แไม่ใชรักแกาคา่ไม่ไาคาคา เ, เป็ น, นเรื่องนาจราคาเพราะวาดาราคาเนี่ยเป็นิเลสคืออก็ศลโมหนะเมื่อนี้ก็ใคแรลาคาแล้วก็เนที่ตั้งแห่งครูสามีราคาว่าเป็ครูสาที่ไม่โค ร, สะะรูสาแล้วก็ไมเห็นดีกว่าตัวราคาตัวจะได้นะ่ะอ่าเสียความดุไป ราคาไุกูคุณจะได้จิ้งจอมถุงดึงไปเพราะฉะนั้นจิ้งจุ่งหิ้าถมาหิ้งจอันนี้แหลแต่มาใส่เสียงเขาจะมาขันถุงกุ้้งไม่ใะว่าหิงาคือเาเบียดเบียนนะครับในข้อตกลงอใ้ิ้งาจะย่ากุงนะอย่ารุ้อาแต่ว่าอย่าเบียดเบียนอย่าเบียพูดอย่างนี้แล้วก็คุณอาจจะไม่พอใจแต่ถ้าคุณอาจจะดีใจากดูดีผูนีผู้พูดกับคุผู okay? ้านคุณว่าู้อ่านข่าจะอ่นไห คามจริงไม่เข้าขอางใครออกใครครับเพามเองน่ะถือปรประจเพราะฉะนั้นจริงมมีคาจะเข้าใรออกใครตัวเอง่าผู้ข้าม่างตัวตก็เป็นไปเองไม่เลยนังอะไรขึ้นมาจากใครเพราะฉะนั้นมันจะผู้ข้ามางใครออกใครู่ในฐานะของนักธรรมะที่เรกานักธรมมาเป็นหลักฐานว่าไอเีักเาหลนลักใคเราหลถ้าเเป็นนักศึกษาแต่รปรมานเราจะ่สึกประน์ต้องเใจตัวเอง่ะไอจารีนี่อ่กจากราคแท้ๆมันจะเกิดจากความรักบริสุทเลย ก็ดจาการักบริสุทธิ์ะครั ก, กับจะดีใจที่มีคนมาช่วยรักคนที่เรารักอย่างเช่นแบบเวลามารักแูบนี้พ่อแม่จะไม่รู้สึกขี้หแูในเวลาที่ลูกขาวมีใครมาลักลอบที่ตัวน่ะท่านไม่เห็นเลยท่า น, นก็ดีใจาาเลยมีคนใวตระกูลามมีคนเยอะๆมีคนรักถูกเราม า, มากๆเพราะะั้มีต้องมีไรดีแล้วก็มีคนณาลงกันกรักก็้่างรู้ใจเนี่ามรักแบบนี้สิครับคือความรักบริสุรักเขาแค่แม่เนบสุทธิ์เป็นรักแบบนี้ ที่เรา่ราไม่พอใจเราจะติันสํวหับชิ้นนคนคนนั้นสําหรับเป็นตัวเคนเดียวอย่างนี้ท่านว่าเป็น่องอมากกวาคะเพราะฉะนั้นความหกว่าไอลาา้ลข้าติดตได้จากบุบบคคลคนนั้นเนี่เสียตัวดึไปหรือจะวิ่ตามไปจะไม่ให้เราตรวนี้เป็นหน่วยฉลาการคุณนี่บัดทัพเ ข, ขาเขาเขาใจจะบุกเข้าเมื่อนนี้มันเขายังม่มีล่าไมนมีสองหลัก่ะเขาเต่คนปฏิบัติัพกว่าทิ้งที่ถึงวันนี้กับเขา้าวันนี้เขาไปกลับมาแล้วเขาแต่งเวลาไปจิ้นรู้นแล 鬧出嚟我遞點先嘛？哎，個呢個包四個點，仲有一個，仲有一個， นะนี่เป็นความว่างเปค่ะหมู่คความว่างาปล่าแล้วนี่มีความหมุนธรรมดาอ่าภริยาเขาไม่ได้มาดแล้วนะแต่ว่าสมุนหัวมุนกันหมุขถลายแต่แต่มาติดตาดสมแล้วสมาปุมใจล็กวแาจหิ้วไปทไมเอกลุกลาล้างสกดล่างนี้นะ ที่เรอจะหนีมั้งไม่หนีหรอกไม่รู้กลัวเขาโดนตามายกลัวกลัวไม่กล้าเข้าใจก้าเขายปนยานมาหาเราตอนรียเราล่องจากที่มาแล้วตัวตั้ไปเลยไม่เอาแล้วตอนที่เขาดูในเถอเฮียมันโคตรตัวเด้ ท่านเลี่จัดจบสิเนี่ยมาใช้อายุถึงมาฆ่าจำแกงวายมาทะเาบอกเ่าทอย่ารืงกันสมควรเลยเขาเ็นบล่าดีแล้วเราก็ไปอิงจกข้าวัดเาท่ทเยอะๆเป็นคนทำลายชีวิตเรานั่นเขาโง่เขาต้องหนีออกไปดีแล้วต้องรู้อย่างนี้สิครับและใจเด็สตาจะได้อดนก็ได้บริจาคเขาเ็านไปได้น่ข้าามยอนหน้าไรินตุกิณีที่ถามว่าพยาเองคนแรกนะอ่ หรือธรรมเข้าใจจริงให้เขาอยู่เป็นฐานก็ถือธรรมะดีครับที่ขาว่านี่นะครับตัวที่ถามว่าทำไมเขาองิงจริงมีธรรยามาเรื่องที่ธริยามาคือน่ะถ้าจะว่าก็แล้วก็ทุกชาตาในโลกนี้ในสมัยเดียวกันที่ถืออำนาจอ่าคุณหน้าหรหหน้าครอบครัวใหญ่ทำไมอะไร้ังฮะมรุกรานคือน้าครอบครัวใหญ่หัวหน่าครอบครัวใหญ่ัวหน้าคอครัวิที่จะลุกเายิงตาเอาตัวลงมาตัวนี้ก็ได้ ว่า้าที่จะอะไรเยอะๆเป็นลักษณะนีนี่กลมกันครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเาเจริญขึ้นมาตัวรู้ที่มีอรยธรรมัฒนธรรมสงแล้ก็คจอเรื่องนี้ก็ติดติดตเรื่องกันเรื่องมากระงเข้าสู่ในยุคปัจจุบันนี้อย่างในเมองขงเข้าที่บอกว่าเออามีัวดียเดียวจริงเหรอไอหัวเดียวเมเดียวมันตามกฎหมายไอจีบบ้าเลมีเมียเยอะๆก็หูหิ้งหาจีบอรยอะแานงทุกคนไมเคยจีบหิหาจเหรอ ราอะไรจริงว so right so right so ่าขาเดิาเ <bi> ียนหะัการกฎหมายกัาเองเขาให้ทีน well. ู <Blue upside subur>. ้ดขึ้ชื่อวงานูาดแรมากเลยต่อรูัดรูปตัดรกปขัดเป็เฉพาะอย่างจรงราคาในตัวตัวเดีตัวนำเตุนั้นตัดในทุกเรื่องจริงชัวร์กามาเป็รทข์คือติดท่ข้อนี้มากที่สุดามะใค้าเลยคนนั้นรู้ไมกับวิริกวดา็นชาตันันะครับเราจะไม่พลาดใครใครใคออกใครไม่ได้แต่ว่าทาไมต้องเป็นตัวอย่างมันเป็นรถคู่คุณงามหมดที่ยังขึ้นเกิดอาการแล้วก็ทุลักตามไมรู้จะองเขาก็เเจ้าเป็นขัดกว่า ทะเลจะเปนเหือนกันทั้ง น, นี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยมีอยู่ร้านเท่โอ้โหผินะการมาคุณคนเราเสร็จไม่เคยอิ่มทะเลฝนตกไม่เคยเป็มนีน่ทะเลฝนตกไไม่เคยเป็มนีน่ไฟกินไม่รู้จักจู ท, ท่นานราลอ่างนี้เป็นข้อเท็จจริงฉันจะขอทานคุณเวลา แว่าอีกห้านาทีสี่สี่โมงเยินพอดีพูดมาได้ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ครับาอาหารหรือเปล่าไม่ไม่พบที่มาที่ไปเหมือนกันว่าท่านนี้จะเป็นอาหารหรือเปล่าแล้วก็สงสัยชิ่นนี้ก็ไม่เคยพบที่ไหนเลยนอกจากที่แห่งนี้แห่งเดียวกุรานะในจุฬวัรคือนายพลดกในจุลาวัตรว่าถึงกับกุรานะแต่เป็นองค์เดียวทํานุณณะหรือไม่ถ้าเป็องค์เดียวทํานปุณณะก็จะเป็นอาหารปุณณะมันตามีบุตร ซึงเป็นเป็นเอกราชข้าในทางธรรมกัตถุหรือกันสัมปุ น, นามันตามนิบุตรผขไม่ไหายสิครับไม่ใช่ผมตามมเข้ า, าใจของผมนะไม่ใช่องค์เดียวกันนะตามความเ้ า, าใของผมเน่ยถูกผิดไม่ทราบนะครับไม่ใช่องค์เดียวกันหลักฐานประวัติสัตวุรานะไม่มีเลยไม่มีเลยอาจารยถาก็ไม่แก้บ่ายโมลุเป็นใครมาแต่ไหนแต่เพาสังเกตดูเป็นผู้มีอิทธิพลมากอยู่มีอิทธิพลขนาดขราม้ากระจกเกรงใจขนาดะม้ารม้ากระจกต้องต้องมาบอกแจ้งให้ทราบว่าพวากท่านนะ่ะ ทำพระไตรนาเสร็จแล้วไอ้ทาสุราณะรับรู้อนุโมทนาด้วย ถ, ถ้าคนเทาท่านผู้น้อยท่านั้นกระสุนทำไม่มาบอกกับลรานี่อันนี้สาคัญมากท่านส ม, มุตโตพิคุถามมาว่าอาจจะมาขอเรียนถามพระมีความต้องใจทําไมพระมหาญาณนัน้นมีกายมหายาณต้องสร้างโบสถ์ฐานหนะ้าพระพุทธรูปลงไปทางทิศที่มีแม่น้ําเป็นเหตุหนึ่งมาจากเหตุไรถึงเป็นเช่นนั้นไ ม, ไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยที่ว่าต้องสร้างโบสถ์พระพุทธรูปขันติในแม่น้ํา เรื่องสร้างโบสถหันพระหน้าพระลงแม่น้ำอาจจะเป็นความนิยมของผู้สร้างไม่มีกฎบัญญัติใ น, นนิกายมาหายานว่าจะต้องสร้างโบสถแล้วหันหน้าพระลงแม่น้ำไม่มีครับเป็นความนิยมส่วนบุคคลไปของผู้สร้างนะฮะท่านสุเมโตฟิกโกถามมาว่าพระที่เข้าประชุมในวันมาค้าบูชาหนึ่งพันสองรห้าสิบคูปพระจํานวนไหนบ้างที่เข้ามาประชุมกันช่วยนับให้ครบด้วยเพื่อเป็นประโย่างในการแสดงวันมาค้าบูาชา พวกลูกิอุ้รุเวลากระปนาทีกระสปาขยากรสป า, า, สปาแล้วนะครับนี่เข้าไปก็พันกว่าแล้วพันกว่ารูปแล้วมันกว่าเอาอุรุเวลากัะสปะต่้งห0าร้อยปา้ไปห้าร้อยแล้วนี่นี่แล้วก็ลูกน้องทันสองคนอีก500ร้เบ็ดเสร็จเป็นพัน0นึงมนทั้งหกทั้งสาขึ้นไปหัวหน้าคณะสามคนที่น้องเป็นพันสามพัสามคนแล้วก็พวกพยศเองเื่อฝูงพยศอกกสิลูกแล้วก็พวกกุมาร พวกุมารติดตามหาผู้หญิงผู้ไป น, นี้เพบเป็นธู้ติดาอาวดเสียที่เมืะนะ่อที่พรรษาแรกกันอีกพวกนึงรวมหมดเบ็เสร็จเป็น 1,250 พนอิบนะฮะเอาวกที่บูที่บูร่าจะพวกคือ่อกจากสาพวกนี้แล้วเก็พวกที่บูบูร่าจะเคยอีกข้างหลดสิครับในพรนษาแรกถึงนับไปถึงก็จริงนะครับ แต่ว่าจุดๆที่บวที่มุอาจะคืออื่นๆอีกคือเราจะไปแกะเราจะไปเจริญหมายบอกว่าทุกองค์นี้ ต, นต้องมีเขาตามจำนว น, น, นีนประวัติมาอย่างไรไม่ได้เนยครับมันเป็ น, น, ปนอนกสถานระยะนี้ก็าส่วนใหญ่มาจากนี้มาจากท่านเหล่านี้หนึ่งคนสอ้าสิหนส่วนใหญ่มาจากยยศส่วนใหญ่ม า, าามาจากพวกอุมารสาิบคนที่ตามหาผู้หญิงแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากบริวารท่าอุลเวลากัปะ ป, ะปะพวกหนึ่งนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาจากพวกที่แขวมุลาจะคือพวกชาลีบุญพวกบวกราณะอีกพวกหนึ่งรวมกัน รวมกันครับรคุณมุราชิคือบริวารท่านโกริตาเจุ้ปฏิสักไงฮะมารวมกันสิครับบริวารโกริตาเจ้าปฏิสักเนี่ยที่มุราชเครือท่านมหาสมัยถามมาว่าอัตมาคิดว่าพระพุทธเจ้ายังคงพระชนอยู่คงจะบัญญัติว่าพิสุทนั่งรถเมย์ต้องพาจิตตีพิสุขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นดินต้องทุกกดหรือพิสุทออกนอกอาวาออกออกอาวัตออก อะไรฮะออกนอกอวตารต้องทุกพาสิธิ์หรืออาจารย์เห็นว่าอย่างไรตอนท้ายในหนังสือธรรมบุโดยมากก่อนจบธรรมเทศนาปรากฏว่าเอาหุชนาบรรลุ ก, กันเป็นจํานวนมากแม่เทวดาก็บรรลุเป็นโกรธโกรธคิดแล้วไม่น่าเชื่ออเรื่องโกรธโกรธนี่ผมได้เรียนแล้งเลครับบอกว่าเป็นอนเนกกสังขยาเราจะไปตัดสินถือความตามจํานวนเลขไม่ได้แล้วครับเอาความว่ามากขท่นั้นเองแลาวว่าแสนโกรธแปดหมืี่พันห้าร้อยนี่แปลว่ามากแปล ว, ว่ามาก แต่คำพูดชนิดนี้ในคำพิศการเขาเข้าใจกันเขาคนข้างพิศการไม่ได้ถือตามตัวเลขอย่างเราพูดกันทุกวันนี้หรอกเขาเข้าใจเป็นอีเดียมเขาเรียกเป็นจำนวนนะพลังว่าอีเดียมคือจำนวนที่พูดกันแล้วคนข้างนั้นเข้าใจความหมายแต่คนข้างเราทห่างสมัยท่านหนงสองั้าร้อยกว่าปีเราก็ไม่เข้าใจนี่กว่าเขาต้องลงตัวเลขจริงๆไม่ใช่สําหรับผู้จ่ายจะบัญญยักเรื่องนั่งรถมีเป็นอาบาัตหมือขีข่เครบินในอาบาตหรือไมนะ่น่ะผมนึกว่าคงไม่บัญญัติเพราะผู้จ่ายบั ญ, ญัติกที่ขาหมดนะ่ะดูการละรู้ดูเทสาเหมือนกัน พระองค์ทรงประชาชที่ซึ่งบัตมีอยู่ความจําจเป็นการคมนาคมมีอยู่พระองค์ต้องผ่อนผันตามการานุการครับอันนี้ต้องผ่อนผันครับคือว่าวินสิขาบทอันใดถ้าไม่ไม่เป็นโลกระวัตพะหนึ่งไม่เป็นเหตุให้เสียคุณสมบัติทังใจหนึ่งอย่างนี้แล้วก็เชือมันรมตามการละเทศะได้อุรวมได้ไม่งั้นพระองค์จะประธานพิธ า, าไม่ยากเลยบอกว่าในการที่เราล่าวงไปให้สงทอนศิขาบทเล็กน้อยได้หากต้องการนี่แก้ว่า ทงเร่งการไต่แล้วว่าการเหตุการณ์โลกมัเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพราะนั้นมีนายเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆที่เกี่ยวกับการอุปบโภคบริโภคการคมนาคมเครื่อ ง, งมือหุ่มอ่ะก็เปลี่ยนไปตามการอย่างพระเห็นวว่าเราทุกวันนี้จะใช่ว่าจะสามารถรักษาจารีตของเก่าได้ครบเมื่อไรแล้วก็รักษาไม่ได้สิ่งที่เร า, า, ารักษากันได้ยังที่สุดก็คือว่าเครื่องมือหุ่หมเนี่ยเครื่องมือหุ่มที่เราหุ่มกันทุกวันนี้นะฮะทายจีวอเนี่ยถ้าเขาตั้งมีใครมาถามแบบว่า เครื่องดุมผมประเทศไหบ้างที่มีอายุยืนที่สุดในโลกไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคือฟลายจบอลนี่แหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยของพันห้ากว่าปียังไงก็อย่างนั้นเป็นสไตล์แบบแบบเสื้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่แบบไหนเก่าแก่เข่าแบบเลยเขปลี่ยนหมดแล้วตุงมง่นบ้างตุ้งฟ้าตุ้งบ้างตุ้งลายจั๊กจั่บ้างตรงรอมพ่อบ้างตรงอะไรต่างๆร้อยแป แม้กระทั่งโกผมโงนผมวุฒิเจ้าไม่เคยเปลี่ยนโกนตะพุธโกนโคนตะพุธไม่เคยเปลี่ยนยังไงก็ย่างนั้นเพราะว่ามาร้อปีไม่เปลี่ยนเครื่องแบบรวุฒิเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนสามถึงกันตะพุธมันไม่เปลี่ยนเลยสีก็ไม่เคยยอมสีอื่นสีหลวกับพุธไม่ได้เปลีป่ยนอันนี้แหละเราว่ายืนยันได้อันนี้